พระมาราจโลกะที่ปติสัมปัติกับัตชัลีอันที่ว่าลงอียาจา อันตีทัสสะตาปะระชาขัจจติกาเทเสตุธรมมังอนุกรมปิมังปะสังทาวสหัม บอดีพร้อมเป็นบอรอมก ม, มารทรงฤทธิสักดากว่าบริสัททุกหมู่พร้อมน้อมหาดนามาสักการ เป้ดิดสถานนาที่สมควรแล้วจึงบางคมช่ริบาดพระศาสดาขอพรอันประเสริฐ อาลาเลตมาโฮลาปวงสัตว์ในโลกะจิเล็กน้อยก็ยังมีขอองพระจอมพระสสรธรรมะฮัตอันโลจี โร ป, ปรดปวุกประชาสีท่านจงโปรดแสดงธรรมข อ, อนิมนท่านเจ้าข้าผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโรปรดแสดงพระสัตธรรม เทศนาแล้วว่าที่เพื่อให้สําเร็จผลแก่ปวงชนบรรดามีสุขเสษมสี สมดังเจตนาเธินข อ, อนิมนเจ้าค่ะเสียงอาราธนาธรรมรู้สึกว่าไปรอเพาะเพียงมาก <c oughs> เออ <c oughs> เนี่ยหลวงพ่อเองไปนัสถานที่ใดหลวงพ่อไปเห็นชาวต่างประเทศ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 น่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางแห่งคณะสัทธาญาติโยมมากลุ่มใหญ่ก็มีทายกพูดคนเดียวทั้งอาราธนาศีลทั้งอาราธนาธรรมทั้งอราอราธนาพระปริศตทั้งอาราธนาสมันตาเชิญเทวดามาฟังพระปริตตะมงคลต่อกรนีคล่องแคล่วเร็ว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 และก็วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งคือหลวงพ่อท่านพระครูพระครูสุทิยานโสพลเจ้าวาดวัดนาขามของพวกเราท่านปารพงานของหลวงปู่เหลียแต่ตามไว้จริงหลวงปู่เหลียนท่านก็อยู่วัดรัญยบานพศอำเภอสีเชียงใหม่แต่ที่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 เราก็ซึ้งในใจอันนี้ก็คือญาติธรรมซึ้งกว่าญาติโลกนะญาติโลกมีนอีกแบบหนึ่งแต่ญาติที่มเนี่ยที่นำมาประพฤติธปฏิบัติเหมือนกระชี้ขุมทรัพย์ให้ภายในใจอันนี้เลิศประเสริฐเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้เข้าไปจัดงานสริระของท่านที่พระราชทานเพลิงสริระของท่านเพิ่งจบเมื่อวันที่ห้าที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาถึงวัด วันนี้ก็พอมาถึงก็เห็นจดหมายแต่อาจารย์พระครูนิมนต์ด้วยก่นท่านนิมนต์ไว้นานแล้วล่ะแต่หลวงพ่อขณะที่ไปจัดการด้วยนั่นใครจะนิมนต์ไปว่าจดหมายฉบับนั้นแล้วว่าเรื่องนั้นก็ทิ้งไปทั้งหมดเพราะเหตุไรถือว่างานของหลวงอาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จะต้องรับภาระแต่คราวนี้ก็พอได้รับจดอ่านจดหมายฉบับโอ้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 นะโมตัสสะปะก ว, ะวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะก ว, ะวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาณิปัลาโลกัตสงปะติฐาโหนติปานินันติติวันนี้นับว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่ง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 พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนเมื่อเราอ่านเราศึกษาเราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าได้จั ด, จดรู้ธรรมนั้นกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักแต่ทีนี้มาถึงหลวงปู่มั่นของเราหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเอากรรมฐานสองอย่างคือลมหายใจเข้าหายใจออกกับพุทโธเออพ ร, พระพุทธเจ้าทว่า อนุสติ10นะพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอนาปานสติมรณานุสติอุปสมานุสติอนุสติ10ของพระพุทธเจ้าแต่หลวงปู่มั่นเอามามาให้พวกเราบริกรรมสองอย่างท่านบอกว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโรหายใจเข้าพุทธ หายใจออกโถ่น่อันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกท่านไม่ได้บริกรรมพุทธโถ่แต่หลวงปู่มั่นท่านเอาสองอย่างมาประยุก์ให้พวกเราปฏิบัติเวลาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถ่ถ้ากาหนดแต่ลมหายใจเข้าออกมันหลุดได้ง่าย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 กระดูของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นตํำตาตํำใจของพวกเราอยู่พวกเราน่าจะตายใจได้น่าจะเคารพนับถือเลื่อมใสในแ น, น, นวขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้ถ้าจะพูดว่าพวกเราเดินตามแนวแถวสายพระอรหันต์หลวงปู่มั่นเป็นประฐานหลวงพ่อพูดคำนี้ก็ไม่น่าจะเวอร์จนเกินไป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 ใจของเราไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านสติควบคุมจิตคล้ายๆกับว่าน้ำควบคุมไฟอยู่อย่างนั้นะคือให้มันอยู่คือไม่ให้มันออกนอกรูนอกทางอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิจิตใจกับจิตควบคุมกันไม่หปุงฟุง้งซ่านต่อไปเมื่อจิตใจของเราเรามีความพยายามีความตั้งใจกำหนดดูให้ละเอียด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 ตัวที่พาเกิดนะ่คือใจคือน้ำมรรมแต่ร่างกายเนี่เผาไฟทิ้งแน่ๆอีกไม่นานาไม่ถึงร้อยปีบางคนก็ร้อยปีเสร็จเสถ้าร้อยปีเสร็จเสร็เก็ถอะหมดสภาพแล้วไม่เหมือนต้องได้พยุงกันแล้วนี่แหละคนที่อายุร้อยกว่าปีแต่ถึงยังไงก็ต้องถึงจุดจบทุกคนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราคณะรัาญ า, ยาโยม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 เราชำแหละปลาอย่างเงี้ยเราแหละหนังรูสิมันมีแต่เนื้อเอาเนื้อออกสิมันเห็นกระดูกออกกระดูกกสิ เ, เห็นตักเห็นปอดเห็นลำไส้เห็นไตในช่องท้องของเราดูสิมันเป็นยังไงตอนนี้ผ่ากระโหลกศีรษะสิเห็นอะไรเห็นสมองเออทั้งฝผบผ ล, ผ ล, ผลและฟันหนังเลือเอ็นกระดูกเออ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 เราจะทำสวนยาก็ได้แต่ทำให้จริงจังและจริงใจเราจะขายของชาก็ได้ทำห้จริงจังและจริงใจเป็นข้าราชการก็ได้ทำด้วยความจริงจังและจริงใจในเมื่อเราทาจริงและจริงใจคำนี้แหละผลก็จะออกมาด้วยความจริงออกมาเราก็จะร่ำรวยมีความสุขแต่ทำอะไรถ้าทำละเลอ ะ, ะละแหล่ทำเป็นเทวศรรัก์ว่าทาแล้วก็หวังผลอย่างเดียวก็คงจะ ลาพผละ อ, อ, อยนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่หลวงพ่อยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าบุญญานิปรลโลกัมิงปฏิทฐาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกนาคำว่าบุญคำนี้ก็คือคุณงามความดีถ้าเราสั่งสมคุณงามความดีคิดดี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 ว่าความคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนั่นละจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังพวกเราเห็นไหมพอขณะที่ขึ้นพูดก็ลืมตัวด่า ก, กลาดไปหมดผลใ่สุดพอเขาฟ้องขึ้นมาไม่รู้กี่กระทงเลยหัวค อ, อพับเลยทีนี้าบางทีเผลอๆก็ตัดสินเข้าคุกอีกต่างหาก เ, เพราะเหตุไรเพราะว่าความชั่วตัวเองคิดชั่วจะก่อน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 สัมโมทนายกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพัะสีรันตนตไรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์อนุภาพของหลวงปู่เหรียญวรราโภที่พวกเราทำบุญ เ, เพื่อมุทิตาเรือวาทำบุญเพื่อถวายพระองค์ท่านในวันนี้